วันนี้มีแต่พวกหัวกฐิเนี่ยมีแต่ดาขาวเท่านั้นเลยพวกัวกฐิฟังเทศจนหูฉีก อ, อันนี้อันนี้จะมาปฏิบัติให้เท้าฉีกมัางเดินจงกรมให้เท้าแตกม น, นั่งสมาธิให้ก้นด้านเลยต้องปฏิบัตินะ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 ต้องมาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระองค์แรกที่ทรงคนพบวิธีหาความอิ่มให้กับใจหาความพอให้กับใจ <c oughs> ซึ่งก็เป็นวิธีง่ายแสน ง, ง่ายก็คือหยุดความอยากเนั้นเองความอยากทำให้ไม่พอ พอไม่มีความอยากพ อ, พอความพอมันก็เกิดขึ้นมันไม่ยากเลยแค่นี้เองเนี่ยที่ตัดสรู้ตัดสั้รู้ตรงนี้เองตัดสรู้ว่าความอิม่มความพอเกิดจากความหยุดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วความอิม่มความพอมันก็เกิดขึ้นอยากหาเงินเยอะๆลองเอาเงินที่มีอยู่นี่ไปทำบุญให้หมดได้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 หยุดการใช้เงินซื้อของต่างๆได้วิธีที่จะใช้เงินให้ถูกต้องก็คือเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปให้ผู้อื่นอย่าให้ตัวเราให้เราเท่าไหร่ไม่พอเข้าไมได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่น แต่ถ้ า, าไปให้คนอื่นน่นมันไม่อยากจะได้ครับให้แล้วก็ได้มาแล้วก็ต้องไปให้คนอื่น เ, น อ, เอามาทำไมก็ไม่ต้องหากันวิธีทำความพอให้เกิดขึ้นกับใจถ้าใช้เงินก็ต้องใช้เงินให้ถูกวิธีถ้าใช้เงินไปทำตามความอยากมันจะทำให้ไม่พอ ทุกวันนี้ที่เงินไม่พอใช้กันเพราะอะไรเพราะอยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆสมัยเด็กๆนี่นไปโรงเรียนมีเงินไปโรงเรียนมันละกี่ตังค์แต่มาอยู่ได้พ่อแม่ให้เงินไปซื้อขนม o n ซื้อข้าวกงวันกินวันละห้าสิบบาทร้อยบาทก็อยู่ได้ล้ว๋วนี้วันละห้าสิบาทร้อยบาทอยู่ได้หมมันก็ปากเดียวท้องเดียวเหมือนเดิม ทำไมต้องเคยใช่อลไยมากมายมันก็มีของไม่จำเป็นให้ใช้อ้นั่นก็ดีไอนี่ก็ดีใช้ไปซื้อไดเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ก็อยากจะใช้ไปเรื่อยๆงั้นอยาาใช้เงินตามความอยากใช้เงินเพื่อให้เกิดความไม่อยากวิธีที่เกิดความไม่ไม่อยากก็คือ เวลาจะเวลาอยากจะได้อะไรก็เอาเงินไปให้คนอื่นแทนไปทําบุญแทนก็จะหยุดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี yeah. ่ยเชิญทางด้านหลังจะเรี๋ยวกว่านนะโย่ขึ้นทางด้านหลังดีกว่านะอาทางนี้มันเต็มแล้วทางนู้มันเต็มแล้วยังทางโน้นนั่งว่างไม่ไม่ขึ้น ยังไม่ขึ้นนะ ม, มาเชาเย็นกับเลยเรือ่อ ง, งมาคค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานค่ ะ, อ, ะอยู่อำเภอเมืองเียกว่าคุณแม่อยู่อำเภอเมืองค่ะผม อ, อ, อยู่อำเภอด่านช้างทำไมเด็กๆอานมาก็เคยอยู่ที่อำเภอเมืองร้านีนัใช่คะร้านนัอในตลาดเมื่อก่อนอยู่ในตลาด ตล า, ตลาเทศบา ล, ลากใกล้ท่าเรือสมัยนั้นมากรุงเทพต้องนั่งเรือมานั่งเรือเย็นมีเรือบ่ายสามโมงกับเรือหกโมงเย็นบ่ายสามโมงก็มาขึ้นที่ท่าเตียนหกโมงเย็นก็ไปขึ้นที่ยิ้วรายที่แล้วต่อรถไฟเข้าเข้ากรุงเทพสมัยก่อนไม่มีรถหม่ต้องนั่งเรือสมัยนั้น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 พออยู่ถึงจบป .3 ก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สุพรรณก็เรียนป .1 สองครั้งครั้งแรกเรียนโรงเรียนประชาบาลแล้วพอจะขึ้นป .2 ย่าเขาเป็นคนจีนเขาอยากให้เรียนโรงเรียนจีนโรงเรียนอยู่ใกล้ๆ ก, กับโรงพยาบาลอยู่ตรงใกล้ๆเทศบาล โรงเรียนนั้นก็เป็นโรงเรียนจีนก็เลยต้องไปเริ่มปหนึ่งใหม่เพราะต้องไปเรียนภาษาจีนใหม่ก็เรียนอยู่โรงเรียนจีนถึงปสามแล้วพ่อก็อยากจะให้มาเรียนโรงเรียนฝรั่งก็เลยมาเรียนโรงเรียนฝรั่งที่กรุงเทพก็เริ่มปหนึ่งใหม่เราเรียนปหนึ่งสามครั้งปปห้าแล้วปที่มาเรียนโรงเรียนฝรั่งเนี่ยแต่ไม่รู้ ABC ซ ก็เลยต้องเริ่มต้นที่ปหนึ่งใหม่แต่ก็ดีที่เขาให้ข้ามชั้นได้จากปหนึ่งก็ขึ้นปสามปสามก็ให้ขึ้นปหกเลยแล้วก็ปหกก็เจ็ดแปดเก้าสิบพอสิบก็ให้ข้ามสิบเอ็ดไปสิบสองก็เลยเรียนสิบสองชั้นในเวลาแปดปีก็พอดีทัน จบประมาณอายุประมาณ18ปนมะั mm ้ง hmm. สิบ ส, บ จ, สบจบจปี2อ0 0ั้าเท่าไหร่นะอนมะั้งเอนหรอยเก้ <c oughs> อายุย่าง19ปีอายุจบครบ18ปีแล้วก็มาต่อ <c oughs> หยุด หยุดแล้วก็ทํางานอยู่ปีหนึ่งก่อนหาเงินแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกหาเงินเองนะทางานอยู่เปีเก็บได้ประมาณรักษาหมื่นมั้งอ่าตอนนั้นทํางานกับบริษัทฝรั่งเขามาสร้างสนามบินอูตเปานะแล้วพอดีเราได้ภาษาก็เลยไปเป็นล่ามเขาใจเป็นชั่วโมงชั่วโมงละแปดบาทห้าสิบไรเนี้ยต่อชั่วโมง วันทำสิบชั่วโมงก็ได้วันละือวันละแปดสิบกว่าเกือบร้อยเพราะเขาให้บิเลียงค่าอาหารอีกสิบห้าบาทแล้วไอ้ที่เกินแปดชั่วโมงก็ให้ให้นึ่งเท่าครึ่งก็เท่ากับทำสิบอดชั่วโมงแล้วก็บิอเลียงก็ตกวันประมาณร้อยหนึง่งสมัยนั้นคนทำงานจบปริญญาตรีได้เงินพันกว่าบาทถ้าไปรับราชการก็ได้ พันกว่าบาทแต่นี่ทํางานบริษัทรับเหมาก่อสร้างของฝรั่งอยู่ที่อุตเผเนี้่ก็ทําอยู่ประมาณปีเศษปีกว่ า, ก, วาก็ขยันทํางานอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยบางทีทำเจ็ดวันเพราะวันที่เจ็ดนี้เ้าให้สองเท่าถ้าทําวันที่เจ็ดนี่ให้สองเท่าก็เลยทําเก็บเงนินเก็บเงนินเพราะอยากจะไปเรียนหนังสือต่อ พ่อแม่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะส่งเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องส่งเองหาเองหาโรงเรียนเองไปเปิดหนังสือที่ห้องสมุดของยูซิสห้องห้องสมุดของของสถานทูต ร, รัฐบาลเขามีโรงเรียนสมุดของหนังสือโรงเรียนต่างๆหลายชื่อโรงเรียนต่างๆเราก็เลือกเอาเมืองที่เราชอบแม้เมืองนี้ชื่อดีก็เอา ชอบรัตนนี้กับปรัตนี้ก็ <c oughs> สมัครไปสามสี่แห่งก็ได้รับอยู่สองแห่ง 2-3 สองสาม 2, แห่งก็เลยเลือกไปที่มันเฟรชโนก็เรียนโรงเรียนเขาเรีย Junior College กจูเนียร์คอลเลจก็เพราะว่ามันเกฑนเขารับต่ำไม่ต้องสูงมากสองจุดก็ได้เราก็เรียนไม่ค่อยเก่งก็ปานกลางแล้วมันถูกการเราเรียนถูก ทำไมนันหน่วยกิจละห้าเหรียญห้าเหรียญทำไมนั้นเรียนละยี่สิบบาทก็ประมาณร้อยถ้าเรียนสิบห้าหน่วยกิจเทอมหนึ่งก็แค่เจ็ดสิบห้าเหรียญก็ดกีก็มีเงินที่ทำเนี่ยจ่ายค่าตั๋วละบินแล้วก็มีเงินก็ไปจ่ายค่าละเรีย น, เ ร, ยนเรียนได้อย่างนั้นก็ปีนก็คิดว่าไปแล้วอาจจะต้องไปหางานทําต่อ คือไม่เคยคิดขอขอเงินทางบ้านนะไม่ได้ขอพ่อขอแม่บอกช่วยส่งอะไรไปเองแต่บอกว่าจะไปแล้วนะติดต่อโรงเรียนได้แล้วได้โรงเรียนแล้วซื้อตั๋วแล้วทางบ้านเขาก็เมตตาเขาก็ส่งไปให้เป็นเดือนเดือนประมาณนั้นก็ส่งไปให้เดือนละสามพันเราสายเราทํางานช่วงปิดเทอมช่วงระยะปีสองปีแรกไม่ได้ทํางานระหว่างเรียน ทำแต่ช่วงปิดเทอมก็พอพออยู่ได้ต่อมามันมีความจำเป็นต้องซื้อรถเพราะมันไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกวก็เลยต้องมีค่าผ่อนรถก็เลยต้องทำงานทำงานประมาณ20สชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ทำช่วงเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ 3. สาุกเย็นก็ไปทำละทำตอนเย็นแล้วตีหนึ่งทำร้านอาหาร แล้วก็เสาวก็เหมือนกันอาทิตย์ก็เหมือนกันทำสามวัน <c oughs> ช่วงเวลาเรียนก็เลยต้องรีบทำการบ้านเรียนเสร็จก็อยู่ที่ห้องสมุดเนี่ยอยู่ที่นั่งหาอะไรทำการบ้านให้เสร็จไม่ได้กลับบ้านทาที่บ้านบรรยากาศมันไม่ดีเพราะอยู่กันหลายคนแชร์กันอยู่ <c oughs> บ้านเก่าแต่มันราคาถูกนจ่นจนาได้ค่าช่าบ้านไม่กี่ตังแค่2ี่สบหเหรียญ แต่บ้านมันเก่านะอะไก็อยู่ได้อยู่กันสามสี่คนก็สนุกดีอะไม่ได้ถือว่ามันเป็นอะไรถือว่าเป็นประสบะการณ์ของชีวิตเรียนก็เรียนไปสบายสบายก็ไม่เครียดทํางานก็ไม่เครียดแก็ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีอะไรนี่มันหมุนอยู่กับ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 ก, ก่อนจะกลับบ้านก็แวะเที่ยวสักเดือนสองเดือนเดือนกว่าที่ยุโรปไปเที่ยวสภาปาเป้ไปไปประมาณสักเจ็ดแปดประเทศนั่งรถไฟเสร็จแล้วก็กลับมาก็หางานทำงานวิศวะก็หายากก็เลยไปเป็นผู้จัดการร้านไอติมแทน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 นั่งสมาธิดูสักปีนึงเลยพอเองทำงานได้สี่ห้าเดือนก็มีเงินอยู่หนะ้าหกพันก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ปีหนึ่งคือบ้านก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าถ้าจะเสียก็เสียแต่ค่าอาหารนะถ้าเรากินวันละมื้อก็ไม่กี่ตังค์ไม่เกินสิบบาทก็อยู่ได้สมัยนะข้าวจานละสบาทกล้วยติยวชามาสองบาทเนี่ย กินมือเดียวก็ห้าหกบาทแล้วมีอยู่ห้าหกพันก็เลยลาออกจากงานจะลองจะเวลามาปฏิบัติเดูกก็อยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวพอดีที่บ้านมีหลายมีสองบ้านเราก็เลยบ้านนี้เขาไม่มีใครอยู่เราก็เลยอยู่คนเดียว <c oughs> ก็เหมือนเปรกวิเวกอยู่ ก็มีเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปก็เพื่อเทินดีมีความสุขดีทุกบ้างสุขบ้างสุขเวลาจิตสงบทุกเวลาจิตเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดเวลาเพลิดสติปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากอยากก็เกิดอาการเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเวขึ้นมา พอได้สติก็เียนั่งสมาธิหยุดคิดพอหยุดคิดได้มันก็หายแต่บางทีก็เผลอสู้ไม่ไหวก็อยากจะไปเที่ยวกับไปบ้างออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปเดินเดินไปชายตกลงชายทะเลบ้านอยู่ใกล้ทะเล ก็ทำอยู่ได้ปีหนึ่งก็เห็นว่าเออถ้าจะบวชได้น่าจะบวชได้เพราะเราก็พอที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เห็นก็บวชได้เพราะเป็นพระก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็เลยตัดสินใจบวช ตอนต้นก็ไม่อยากจะบวชเพราะว่ามันก็มีกิเลสคือไม่อยากจะไปอยู่ในกรงพูดง่า ย, ายบวชมันก็ถูกเหมือนกับถูกจับขังอยู่ในกรงจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แต่มันก็ถูกบังคับฟ้องเงินหมด เ, เงินหมดถ้าไม่บวชก็ต้องกลับไปทำงานหาเงิน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 จบปริญญาตีทางวิศวะแล้วก็มาต่อทางจิตศาสตร์จิตเวทมุตธาศาสนาก็สอนเรื่องจิตเวทจิตศาสตร์สอนวิธีรักษาจิตใจให้ใจสงบให้ใจมีความสุขให้ใจไม่มีความทุกข์พอเรียนจบวิชานี้ก็สบายหมดปัญหาไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีราว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 ต้องมีที่เที่ยวที่เล่นต้องมีแฟนมีอะไรมันก็มีไปเรื่อยๆ อ, อยากไปเรื่อยๆถ้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หยุดความอยากมันก็จะแผ่ขยายไปตอนตอนขขออ้อก็ขออยู่ดีกินดีขออยู่ดีกินดีแล้วต่อไปก็ขอให้ร่้รวยจะได้มีเงินใช้จ่ายซื้อ อะไรต่างๆได้อยากจะเที่ยวก็เที่ยวได้อยากจะซื้อข้าวของอะไรต่างๆก็ซื้อได้ซื้อรถเก๋งซื้ออะไรต่างๆก็ต้องมีเงินทองก็อยากจะรวยพอรวยแล้วซื้อทุกอย่างหมดแล้วที่นี้ก็อยากจะมีเกียรติมีหน้ามีตาก็ไปทําแล้วแต่จะเอาเกียรติแบบไหนบางคนก็ไปเล่นการเมือง ไปเป็นสอสอไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกบางคนก็ไปทำกุศลสาวารกุศลก็ไปรับเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นอะไรไปมีหน้ามีตามีเกียรติทอมีเหล่านี้แล้วก็อยากจะมีไปเรื่อยๆอยากจะมีอายุยาวนานพอมีอายุยาวนานแล้ว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 ถ้ามันไม่ได้เป็นความอยากก็สวยไปจะเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่ดีกินดีเห็นคนที่เขายากจนคนที่อยู่ในสลัมคนที่หาเช้ากินขํามเขาก็ไม่อยากจะอยู่แบบนั้นแต่ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างบุญกรรมก็ส่วนหนึ่ง แล้วก็ภาวะสิ่งแวดล้อมจังหวะที่เราไปเกิดไปอยู่เกิดไปเกิดในยุคที่เขามีสงครามก็เดือดร้อนถ้าไปเกิดตอนอยู่ในซีเรียตอนนี้เป็นยังไงก็โดนลูกระเบิดทั้งนั้นเรื่องเกิดไม่ได้ด้วยสิใช่ไหมเราจะไปเกิดว่าไปเกิดนิวยอร์กนะไปเกิดลอนดอนนี่มันสั่งไม่ได้เดี๋ยวไปเกิดในซีเรียไปเกิดในอิรักอิหร่านนี้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 จะกลับจะให้พรเนาจะได้กล um <ione> ับไปรับพรก่อนอยู่ไปนานๆนะมีสุขภาพแข็งแรงอ่าได้มาโอกาสน่ามาใหม่เรื่องคุณเราจะรีเหมือนกันปฏิทินงานนิดนึงเขาก็มาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่เห็นว่ามาทุกวันเสาร์มาเสาร์ก็มาใส่มาที่ถ่ายรูปลงส่งไลน์ไปให้ดูทุกวันเสาร์แล้ว เป็นปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ความอยากนี่แห ล, ละความอยากมันทำให้เราไม่พอแล้วความอยากนี่หายไปได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้มันหายพอไม่มีความอยากแล้วความอิ่มความพอมันก็จะเกิดขึ้นให ม, มเราก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยพลิกหน้ามือเป็นหนังมือคนคนเดียวเนี่ยเป็นเหมือน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 พอไม่ทำแล้วมันจะแทงริดจะสร้างความเครียดสร้างความอึดอัดสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจต่างๆความรู้สึกไม่ดีต่างๆเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นนะพอได้ทำตามความอยากหายเลยในชะ่พอได้ไปเที่ยวเลยหายเลยแต่หายอดู่เดียวเดี๋ยวพอ ก, กลับมาบ้านอยู่ได้ไม่นานเอาอยากอีกแล้ว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 พอคิดถึงปั๊ความอยากมันก็จะหไห้ตามามท่านทึ่สอนให้คิดถึงความตายมันจะได้ไม่อยากเข้าใจไหมพอคิดถึงความตายออกไม่รู้จะไปไหนเลยให้คิดถึงความตายบ่อยๆวิธีแก้ความอยากพ<ม>อกคิดว่าต้องตายก็ไม่รู้จะไปไหน<ม>ไปเดี๋ยวก็ตาย<ม>ตหยุดความอยากแล้วก็ คิดไปในทางที่ทำให้ไม่อยากคิดว่าไปแล้วมันทุกข์เนี่ยจะไปแต่ละครั้งนี่ต้องไปเตรียมข้าวเตรียมของเนี่ยอยู่เฉยๆเรนี้สบายพอจะไปเมืองนอกทันทีนี่โอ้ยต้องเตรียมตัว๋วตีตั๋วเรืบินจองที่พักดูวีซา่าดูพาสปอร์ตเดี๋ยวนี้ก็ยังให้ฉีดยาอยู่หรือเปล่าต้องฉีดใช่ไหมเวลาไปต่างประเทศ ไม่ไม่ต้องฉีดแล้วเลยสมัยก่อนต้องฉีดยากันโรคต่างๆตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาแล้วนะไม่มีโรคระบาดนั้นนะสมัยก่อนเขากลัวเราจะาโรคไปแพร่ที่บ้านเขาเขาให้เราฉีดไม่ก่อน <c oughs> ไปแล้วก็สนุกเดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมเงินหมดเงินหมด ก็ต้องมาหาเงินใหม่ต้องมาเหนื่อยกับมาหาเงินอีกพอมีเงินแล้วก็ระวันขึ้นใหม่ครับมัชอบของแปลกแปลกใหม่ๆเตงบอกให้เอาเงินไปทําบุญถ้าจะได้ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่เงินไม่มีเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นการทําทานก็มีหน้าที่อย่างเงี้ยทําเพื่อให้เราได้ลดความอยากใช้เงินกับการทําตามความอยากต่างๆ แล้วการทําบุญก็ทําให้ใจเราอิ่มด้วยทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยจะคิดอยากจะได้เงินได้มาแล้วก็ไปทําบุญอยู่ดีก็ได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอมไม่ได้ถือว่าเป็นงานหลักลงานหาเงินไม่ใช่เป็นงานหลัก การหากินยังเป็นงานหลักอยู่ถ้าหาเงินก็เพื่อหากินนันกินก็ไม่มากร่างกายวันมันจะกินสกิลสตางค์กันในในเงินเดือนเงินที่เราใช้กันเนี้ยใช้สําหรับการกินอยู่นี่มันไม่กี่ตังค์หรอกมันใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเส็นมากกว่าเป็นเงินซื้อยาเสพติดนะ ซื้อน้หอมนี่กับเสื้อยาเสตติดนะกลิ่นหอมนะีซื้ออะไรต่างๆซื้อรูปภาพรูปภาพรูปลสามล้านเหรียญสาสล้านเหรียญเนนะี่ยรูปภาพเนี่ยก็ซื้อรูปนะเห็นเขซื้อกันไหมเขาประมูลรูปภาพกันนระ้อยล้านเหรียญก็มีรูปภาพแล้วดูก็ไม่น่าดูนะภาพอะไรก็ไม่รู้ แต่เข้าว่าสวยมีราคาก็เลยซื้อกันเป็นไปตามความนิยมอันนี้แหละความหลงความอยากซื้อมาล้วัตเท่านั้นไม่ไมีไม่ได้ทำให้อิ่มให้พออยากจะซื้ออีก วิธีที่หยุดอยากจะซื้อทุกครั้งอยากจะซื้อก็เอาเงินที่จะซื้อไปให้คนอื่นนะหรือซื้อแล้วก็ยกให้คนอื่นไปอยากจะซื้อรถซื้อมาแล้วก็ให้คนอื่นเขาไปเลยมอบให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนเข้าไปต่อไปอยากไม่อยากจะซื้อรถซื้อที่ไหรก็ต้องออกไปให้คนอื่นก็ซื้อทําไมเนี่ยวิธีดัดความอยากถ้าอยากจะซื้ออะไรเอ้าซื้อมาเลยซื้อแล้วจะอยากเก็บไว้ให้กับตัวเอง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 ถ้าเราหยุดหยุดหยุดซื้อหยุดใช้เงินแบบนี้ได้เราก็ไม่ต้องหาเงินหาก็หาไม่มากถ้าหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองนีม่มันไม่มากเราจะสบายจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาหยุดความอยากที่ยังยังอยู่ในใจอยู่ความอยากที่ไม่เกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทอง แต่ก็ยังอยากอยู่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนีน้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันก็ทําให้เราอดุจจตราคาญใจได้อยู่เหมือนกันนะมาเปรคเว่ย์กันเนี่ก็เพื่อมาหยุดความอยากมานั่งสมาธิกัน เงินที่จะไปซื้อของก็ามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายที่อยู่ที่ภาคกระแสก็ทใจให้สงบแล้วก็ความอยากหายไปความอิ่มความสุขก็เกิดขึ้นเบื้องต้นก็เป็นความอิ่มความสุขชั่วคราวเพราะกำลังของสติที่จะหยุดความอยากนี่มันมีไม่มากพอ หยุดได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งออกมาความอยากมันก็ดันออกมาดันให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาสิ่งต่างๆตอนนั้นก็ต้องมาใช้หัดใช้ปัญญาเพราอย่าไปไปแล้วเป็นทุกข์ไปแล้วจะต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆถ้าฝืนมันได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไป คนอยากจะสูบบุหรีนี่ถ้าฝืนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรีก็ไม่สูบเนี่ยต่อไปความอยากสูบบุหรีมันก็หายไปแต่ต้องเห็นด้วยว่าการการไม่สูบบุหรีนี่มันมันเป็นประโยชน์มันเป็นคุณมันการสูบนี่เป็นโทษเพราะทำให้เราติดติดแล้วต้องสูบอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้สูบแล้วมันก็จะทุกข์เนี่ย ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นะการทำตามความอยากนี่ถ้าทำแล้วมันจะติดมันต้องมันต้องอยากอยู่ไปเรื่อยแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ต้องเห็นตรงนี้มันถึงจะฝืนความอยากน้ต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นการนำไปสู่ความทุกข์ความสุขที่ได้จากความอยากมันเป็นความสุขปลอม มันทำให้เราหายหงุดหงิดหายลำคาญใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากสงบตัวลงเราก็หายหงุดหงิดได้โวยที่ไม่ต้องไปทำตามความอยากถ้าอยากให้มันหายเร็วก็ไปนั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาพุทโธพุทโธต่อเดี๋ยวพอพอใจสงบความอยากก็หายไปใช้วิธีนี้แก้มัน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 ครับอึดอัดไม่มีความว้าเวไม่มีความเศร้าส้าอยห้อยเหงาใจจะเบิกบานสดชื่นตลอดเวลาอิ่มสบายตลอดเวลานี่แหละเป็นงานของพวกเราเป็นการหาความสุขที่ถูกต้องเป็นการหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่พวกเราทุกวันหากันนี้มันเป็นการหาความทุกข์กันมีใครบ้างมีใครไม่ทุกข์บ้างคนที่หาลาบยุตสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมีใครบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทุกข์้ามก็ต้องทุกข์กับลาบยุติสารเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละเพราะมันไม่แน่นอนใช่ไหมมันดิ่นได้มันดีก็ดีมันก็หายไปเปลี่ยนไป พอหายไปก็ลำคาญแล้วสิดเจ็บขึ้นมาของเคยใช้เคยกินอยู่ทั้งวันพออยู่วันดีคดืนดีไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินขึ้นมาลองดูสิเป็นยังไงติ่ขึ้นมาจะชงกาแฟอ้าวกาแฟหมดแล้วทำไงวะจะต้องออกไปหากาแฟมาถ้าถ้า ม, มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆก็ข อ, อยืมั ถ้วยสองถ้วยกันฉะนั้นเนี่ยมาอยู่มาอยู่วัดมาภาวานาเนี่ยถูกแล้วมาคอยรู้มาเพื่อมาหยุดความอยากมาต่อสู้กับความอยากมาทําลายความอยากโดยทานคือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทําบุญทําทานแทนแล้วต่อไปจะไม่ต้องเที่ยว ความอยากเที่ยวมันจะหายไปหรือน้อยลงไปเที่ยวน้อยลงก็ใช้เงินน้อยก็หาเงินน้อยไม่ต้องหามากจะได้มีเวลามาอยู่วัดได้มากขึ้นทาใจให้สงบได้มากขึ้นเราต่อไปเดี๋ยวก็หมดความอยากก็หมดเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นท่านทำทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับความอยากหยุดความอยาก พอชนะความอยากได้แล้วก็สบายถ้าแพ้ความอยากก็ต้องเป็นทานของเขาต่อเขาก็จะสั่งให้เราไปอยากต่อมีใครอยากจะถามอะไรไั้มพูดคนเดียวมาพอและนานพอแล้วค่ะ เรื่ที่เวลาที่เราอยากกินของที่ชอบหรือว่าเลือกของกินอย่างนี้ยคะ่ะพอาจารย์สอนหลายวิธีครานี้เราลองไปทํำวิธีที่ได้ผลคือคุกคุกอาหารนะคะก็ทําปเซ็นวิธีไหนก็ได้แล้วมันต้องทําเป็นานแค่ไหนทำจน ก, กว่ามันหายอยากแล้วก็กวเห็นแล้วก็เฉยๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าตามไใจยังอยากอยู่ก็อย่าไปกินมันหรือทําลายมันซะไปคุกกับอาหารอย่างอื่นมันเหมือนวิธ มันก็ว่าคิดว่าไม่อยากแล้วมันก็กลับไปกินมันก็อยากถ้าอยากใหมก่ก็ก็อยากไปกินมันใหม่ถ้ามันถ้ามีความอยากกินก็อยากไปกิ น, นกินในท้องที่เราไม่อยากการกินนี้กินเพื่อดับความหิวกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกินยาไม่ต้องมีความอยากก็ได้พระสารพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องกินอาหารอยู่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 เลือกอาหารเองเราก็ต้องเลือกอาหารที่เราไม่ชอบไม่อยากถ้าไปเลือกอาหารที่ชอบมันก็จะติดมันก็อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยู่เรื่อยๆหรือถ้าชอบก็เอามาคุกเอามายาให้มันเละเลยอย่างวันก่อนพูดว่าพระกินข้าวหมากันข้าวที่อยู่ในบาตรท่านคุกเป็นเหมือนกับข้าวที่เราคุกให้หมากิน หาไม่กินนั้นหมาก็กินได้หมามันกินอย่างอร่ออร่อยร่างกายเรามันก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งก็เลี้ยงมันเหมือนหมาไปสิที่จู้จี้จุกจิกไม่ใช่ร่างกายหรอกใจมันไม่ได้กินนั่นหน่อยใครกินเเวลากินอาหารนี่ใครกินใจกินหรือร่างกายกินอันนี้แล้วร่างกายมันเดือดร้อนไหมใจคุกหรือไม่คุกมันก็ไม่เดือดร้อนใจนี่เป็นคนป้อนมันไปเดือดร้อนแทนคนกิน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 พราะหมามันก็มีใจเหมือนกันใจมันมันพอมันถูกกระไรแล้วมันก็อยากจะกินอย่างนั้นพอไม่ได้กินอย่างนั้นบางทีมันก็ไม่กินก็ได้มันก็มีถ้ามันมีกินบ่อยๆมันก็เมึนวิธีแก้มันก็อย่าอย่าอย่าไปทําอะไรบางทีกินก็ไม่ต้องกินอย่าไปบังคับมันเดี๋ยวมันหิวมันก็กินเองคนก็เหมือนกันเนี่ยอาหารเนี่ยที่มันเราไม่กินเนี่ยลองไม่ให้ลองอดสักสองสามมื้อดูเลย กินได้อยากจะกินขึ้ยมาทันทีอาหารในคุกเนียกินได้ทั้งนั้นถึงเวลาเคยอดอาหารหลายๆวันทีนี่แม่เห็นข้าวปล่ากับคุกน้ําปลานี่ก็อร่อยนะไม่เชื่อลองดูสิลองอดสักสองสามวันเดูยวคนที่จู้จี้จุกจิกกินได้นู่นไม่ได้กินได้นี่ไม่ได้ลองอดอาหารดูสักสองสามวันเดูยวอะไรก็อร่อยหมด อะไรก็น่ากินไปหมดอย่างเราไปซื้อทานเองแล้วก็เลือกของที่เราชอบทานก็อยากเลือกเสร็จบอกสั่งให้เด็กให้เอามาสักสองสามอย่างอะไรก็ได้ไปร้านก็หนูหนูเด็กเข้ามาถามพี่จะกินอะไรเอามาอันนี้ก็ได้เอามาเลยมึงเลือกให้กูหน่อยอ้าวถ้าอยากจะดัน ครัเป็นนักปฏิบัติก็นั่งแบบนั้นเนะี่ยก็เป็นพระไปบิณฑบาตไปบอกโยมว โ, โยมอาตมาจะเอาอย่างวู้นอย่างนี้ได้หป่าก็ไม่ได้โยมจัดมาก็แล้วกันใช่ไอมก็เหมื <c oughs> <c oughs> อนกันเราไปถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เหมือนนักบวชเวลาเราไปล้านนานนี้ก็สั่งหนูจัดมาให้พี่ของสามอย่างลนะอะไรก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นโยมโยมอยู่บ้านเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันนะคือคือโยมต้องทํากับข้าวทางเองนี้ เวลาไปซื้อของนี่ก็กวาดสายตาไปก็พยายามซื้อของที่มันไม่ไม่หรูหราอะไรก็ซื้อเล็กๆน้อยๆกลับไปแล้วก็ต้องมา พ, พี่วันนี้เราจะทำอะไรไข่เจียวหมูทอดอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าค้อยากนะะเพราะว่ามันมีแล้วก็ทําอีนี้มันไม่อยากนะมันรู้เองนะอย่ามาถามเราเลย <c oughs> <c oughs> เราทำไงแล้วเราก็ทำเองอะ <c oughs> <c oughs> มันอยากไม่อยากมันอยู่ในใจเราทำแบบไม่ทำแบบไม่อยากก็มีทาแบบอยากก็มีแต่แล้วล่ะเราอยู่ที่ความคิดค่ะอยู่ที่ใจเรานั่นแหละเราอยากไม่อยากเรารู้เองไปซื่อสัตว์อบความคิดตองเราตอบใจไปลองนะที่จริงฉันก็อยากกินอะคือมู ถ้าแน่จริงต้องกินของที่เราไม่ชอบเลย่ยรับเราเน่ไม่อยากเลยแน่ถ้ากินของชอบนี่มันอยากว้อยเปอร์ซนตอยู่แล้วเราไม่กินของไม่ชอบดูเลยของไม่ชอบนี่ไม่เคยอยากกินเลยใช่ไหมถ้าอยากจะกินแบบไม่อยากก็กินของที่เราไม่ชอบเลยอ่าเราต้องการดัดสันดานอะไปกลัวมันทำไมร่างกายก็ได้อาหารเหมือนกันมันก็อิ่มเหมือนกันนั่งกายมันก็ไม่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 ก็เหมือนกับบุหรี่อยากบุหรี่อยากเล่าเนี่ยก็อยากไปอยากจะดื่มเหล้าก็ดื่มน้าแทนต่อไปเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ดื่มบุหรี่มันก็ไม่ดื่ ม, ห ม, ม, มเหล้าได้ก็ดื่มน้าแทนได้อยากจะดื่มกาแฟก็ดื่มน้ำเปล่าๆไปต่อไปมันก็เลิกดื่มกาแฟได้ เรารู้ทำแล้วเราจะสอนจิตเราบางครั้งความีความอยากอย่างนี้ยค่ะแล้วเราเราเรารู้ว่าเราควรจะพิจารณาให้มันอยากยังไงเนี่ยมันมันมันเป็นปัญญาจริงจริงหร่มันเป็นสัญญาที่เราตบางครั้งถ้ามันหยุดความอยากได้ก็เป็นปัญญาถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็เป็นสัญญาแต่มันหยุดได้ชั่วคราวมันมันเหมือนกับว่าเราเราต้องสอนจิตสอนจิตส่วนใจบ่อยบ่อยว่าอันเนี้ย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 ต้องพยายามคือก็เลยถามเลยว่าตกโลเนี่ยเรามีปัญ ญ, ญาไหมที่อย่างเท่าที่ฟังนี้มันมีแค่สติไงเราเพียงรู้ว่าเราคิดแล้วเราต้องหยุดความคิดอันนี้ยังเป็นเรื่องของสติถ้าเรื่องของปัญญาต้องรู้ว่าเรากําลังอยาก <c oughs> แล้วเราต้องหยุดความอยากนั้นอันนั้นไม่ต้องใช้สติใช้ปัญญาเช่นกำลังทุกกับเรื่องอะไรอยู่เนี่ยถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นมันก็หายทุกข์ ชั่วเขาพอเรากลับไปคิดใหม่มันก็จะทุกข์อีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาว่าที่เราทุกข์กับเขาเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าต่อไปนี้เราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นแล้วต่อไปจะไปเจอเขาไปคิดถึงเขากี่ครั้งก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นแล้วนี amine, ่เรายังไม่เข้าถึงตัวตัวปัญญาเราเข้าถึงแค่ตัวสติ เราใช้สติระลับความไม่สบายใจความทุกข์ใจได้ชั่วคราวคือพอเราคิดถึงเรื่องนั้นแล้วทําให้เราไม่สบายใจแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปพอเราอยู่กับพุโทโธเราก็ลืมเรื่องนั้นความไม่สบายใจก็หายไปแต่พอหรว่ากลับไปเจอเรื่องนั้นใหม่ก็ไม่สบายใจใหม่เพราะเรายัางไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุของความไม่สบายใจกับเรื่องนั้นความไม่สบายใจของเรากับเรื่องนั้นคือความอยาก ให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาแก้ที่ความอยากว่าไม่อยากแล้วจะเป็นไงก็เป็นไปไม่ใช่เรื่องของเราพอเราไม่มีความอยากปล่อยให้เขาเป็นไปเราเห็นเราก็จะเฉยเฉยไดแ้แต่มันผนทุกมันก็ยังอยู่แต่มันเบาลงค่ะอาจารย์หอับลับว่ามันใดร้รู้ตัวว่าเราพยายามสอนสอนมันไปด้วยคือเราไม่เบรกอย่างเดียวเราก็บอกว่า ก็มันไม่หมดแกมันต้องมันต้องใช้ปัญญามันถึงจะหมดเนี่ยถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะหมดก็เปลี่ยนเขาไม่ได้อยาชัยเขาเป็นส้มเขาเป็นกล้วยใจท้างในมันยังไม่ยอมรับอ่ายังไม่ยอมรับกล้วยอ่ายังอะไรเขายังอยากให้เขาเป็นส้มอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาเป็นกล้วยเขาเป็นอย่างนี้ยนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ยใจเขาเป็นอย่างนั้น ขาดไดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่พอเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยอมรับเสียอ่ะก็จบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปเขาจะทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วอืคนที่เราไม่มีอยากความอยากด้วยเราเดือดร้อนไหมคนต้องเยอะแยะเนี้ยคนคนเหล่านี้คนมีความทุกข์กว่าเขาป่ะตอนนี้ไม่มีเพราะคุณไม่มีความอยากให้ก็ ใช่ไหมเขาจะทำอะไรคุณไม่เห็นเดือดร้อนนะแต่พอคุณไปสนิทสนมไปรู้จักเขาเข้าเนี่เ ด, เดี๋ยวเกิดเอาแล้วสิเกิดจะมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไปเดือดร้อนกับเขาแล้วก็เปรียบเทียบคนที่เราไม่รู้จักด้ยนะข้ที่ฟังมาคือปัญญาที่ว่านี้ยังไม่สูลงสู่ที่ใช่ครับคือ คือมันต้องมันไม่ไดเอามาใช้แก้ปัญหานแสดงว่าปัญญาทางที่เพยปาตามนาเป็นหมายถึงว่าต้องถอองค์สมาธิก่อนใช่ครับอันอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิมันมันเป็นตัวที่จะทำให้เราใช้ปัญญาได้หรือไม่ได้เช่นเรารู้ว่าการสูบบุหรี่นี้ไม่ดีพอเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ย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 ต้องมีสมาธิก่อนถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่ า, าปัญหาของเราความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แต่เรายังหยุดมันไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใจให้สงบเพื่อหยุดใจให้ได้หยุดเวลาใจสงบเราก็หยุดความอยากได้เพราะเรามีกำลังหยุดความอยากแล้วพอเกิดความอยากแล้วเราใช้ปัญญาบอกอยากแบบนี้ไม่ดี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 ทัานก็ไม่รู้ว่าทำยั même, งไงพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายทีไรไม่สบายใจทุกทีต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะให้มันไม่มันไม่ให้มันไม่ไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ตอนหลังหันมาพิจารณาดูเวลาที่เราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่ทุกข์พอเราคิดถึงมันเราทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันแก่ก็เลยรู้ว่า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 คือใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวไม่คิดปรุงแต่งหมายถึงเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมครับ อ, อ, อารมณ์เดียวจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้นในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธินะในขณะที่เราทํากิจจวัตกิจกรรมอะไรต่างๆเราต้องควบคุมใจตั้งแต่ขณะนั้นเลยไม่ใช่มาควบคุมเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิ พอมันนั่งสมาธิแล้วค่อยมาควบคุมนี้มันจะไม่มีกําลังพอเราเชอมั่นใจได้ขนาดไหนว่าเราอยู่ในวงสมาธิพ อ, อมันจิตมันสงบมันก็รู้เองเนออี่ยแล้วเวลานั่งสมาธิจิตมันรวมลงแล้วก็รู้ว่าจิตสงบแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งออถ้าจิตยังฟุง้งอยู่นั่งแล้วยังเจ็บยังปวดตรงนั้นอยู่ยังขยับยยังอยากอยู่นี่มันยังไม่สงบ ถ, ถ้าสงบแล้วมันจะนิ่งเฉย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 คิดแล้วใจลอยเดินข้ามถนนรถชนตายเพราะใจลอยใจไม่ได้อยู่กับร่างกายถ้าใจอยู่กับร่างกายนี้จะรู้ทุกอย่างที่เกิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี่เขาเรียกว่าการฝึกสติการจเจริญสติมีอยู่40่ิบวิถีกายกตาสติแล้วแต่เราจะถนัดอย่างไรบางคนก็ใช้พุโทโธแทนที่จะดูร่างกายก็พุโทโธไป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 มันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วเพราะเหมือนกับเอาเอาใจไปจาะที่ปากปากปากหลุมเหมือนเหมือนเราตีกอล์ฟอะก่อนที่เราจะเขี่ยมันลงในหลุมได้เราต้องตีมันต้องหลายหลายครั้งใช่ไหมตีมันไล่ตันล่องมันเข้าไปตันล่องมันเข้าไปให้เข้าไปหารูเนจิตของเราสมาธิก็เป็นเหมือนรูอะจิตของเราก็เป็นเหมือนลูกกอล์ฟเนี่ยตอนนี้เราต้องต้อนให้ให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับเรื่องเดียว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 ไม่ตะล่อมมันมาให้ให้มันอยู่ปากหลุมเนี่ยนั่งไปจนมันตายก็นั่งไม่เข้าเป็นคนตีกอล์ฟอยู่ห่างไกลสาม้อยหลาตีหนเดียวโฮเอ็นวันย่างไหมมันนา น, านมันฟุกอ่ะมันถึงจะได้คนบางคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรสติเลยพอมานั่งแล้วจิตมันรวมนี่แสดงว่าโอ้นี่ฟุกจริงๆเลยจังหวะใจพอดีไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยบังเอิญ มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วปั๊บเดียวมันก็เข้าไปได้แต่เข้าได้หนเดียวทั้งต่อไปให้ทําอีกทําไม่ได้แล้วอพอเริ่มคิดแล้วคิดถึงไอ้โฮ o o d น n o n แล้วดังนั้ต้องฝึกสติให้มากๆสตินี้สําคัญมากถ้าไม่มีสติถ้าไม่ตะล่อมจิตให้มาอยู่บังกรีนี่มันพัดหนเดียวไม่ลงลอ่ะวนะ มันต้องให้มันอยู่บนกลีนก่อนแล้วพอเนี้ยพัดหนเดียวก็ลงได้บนบนกรีนลายอย่างเยอะเลยฮะงงบองคนบางคนบางคนต้องพัดต้องหลายทีนะหลายทีใจไม่นิ่งไงคนใจตีไม่นิ่งนี่ใ <c oughs> จมันไม่นิ่งมันเกิดความอยากขึ้นมาบางทีก็ตีตีแรงไปตีเบาไป ใช้หลายทอดของอาจารย์ฟัง <c oughs> เรา อ, อยู่คนเดียวเลยนะวันนี้ไม่ไมีมยุ่งเลย <c oughs> ฟังเพื่อต้นจนจบแล้วละหลับตาแล้วนั่งฟังทุกคำต่อทานก็ฟังเสร็จแล้วนะฮะก็ไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิมันก็เริ่มสงบมันก็เข้าไปชั่วโมงครึง่งถึงเวลาไปเดินนะไปเดินจงกรมดีครื่งชั่โง กลับมามันนั่งต่อทีฟ้าก็ว่ามันสงบสงบหมายถึงว่าไม่งๆพวกเรายังขั้นขันปฐมอยู่กนะ็<อ>มันก็มัก็เงียบสงบไปจนประมาณสองชั่วโมง ก, กว่าๆน้อยๆนะคือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยจนกระทั่มีเสียงกุญแจจากหน้าประตูท่านชายของบ้านก็เลยตืต่นก็มาสรุปได้อย่างที่ฟังท่านอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่า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 แล้วก็กลับมานั่งอีกถึงนั่งไม่นานขน า, น า, นาันเลยแปลกใจตัวเองพรสติไงสตินะแต่สติมันทำให้ไม่มีความคิดที่อาจารย์ว่า ท, ท่านอาจารย์ว่าที่จริงพิสูจน์มาแล ว, วเมื่อวานต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแล้วต่อไปจะชำนานจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วและได้นานแล้วพอมีกำลังสมาธิแล้วที้ก็มาอพย์กับปัญญามาหยุดความอยากหยุดกาแฟลองหยุดกาแฟเร็ว หยุดของอยากๆต่างๆดูจิตมันไม่ฟุ้งซ่านใช่เอออ่เอ้าเข้ามาต้องการหนังสือซีดีก็หยิบเอานะาใครจะไปก็ไปได้ น, นะไม่เสียมารยาทใครจะอยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็ควยกันไปไม่มีไม่มีกฎไม่มีเกนตายตัว แต่ว่าอย่ารบกวนกันก็แล้วกันจะไปก็ไปเงียบๆมาก็มาเงียบๆ <c oughs> ขอให้คนที่เขาคุยกันได้คุยกันต่อคุณอยากจะไปก็ไปเงียบๆมาก็มาเงียบๆอย่ามารบกวนกันก็แล้วกันท่านอาจารย์ถามคำ ถ, ถามหนึงนะคะต้องว่ามันเกิดความสงสัยค่ะว่าบอกเวลาที่เราสอนสอนใจเราเนี่ยโดยใช้ธรรมะเนี่ยเขาบอกบางทีกิเลสมันซ้อน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 พอถึงเวลาก็ทําไม่ได้เวลาสอนใจบอกอย่ากินกาแฟนะกาแฟไม่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้นะพอถึงเวลาอยากขึ้นมาก็ดื่มอยู่ดีนี่เรียกวีเลสสอนใจนะไม่ใช่ทำสอนใจถ้าทําสอนใจพอถึงเวลาอยากาาก็ต้องไม่อยากก็ต้องหยุดมันถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมเท่านั้นเองธรรมก็ยังเป็นธรรมอยู่แต่ว่าเวลาที่จะเอาไปอัพลายเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่เอาไปใช้ พอถึองเวลาดื่มกาแฟลืมเรื่องเรื่องธรรมอพตะเจ้าไปเลยหนูกลับไปแปลความหมายผิดว่าบางทั้งอยากคิดว่าเรารู้ธรรมเข้าใจธรรมมันอาจจะเป็นเพราะเราพลังให้ความตั้งใ จ, จเอา attention แบบตัวเนี้ยมันก็เลยขึ้นมามันเป็นกิเลสที่มาซ้อนมาหลอกเราว่าให้เราพยายามอยู่กับธรรมอยู่กับวนซ้อนจิตซ้อนใจเนย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 ตัวที่จะพิสูจน์ว่าเป็นปัญญาแท้ก็คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติคือปัญญาที่หยุดความอยากได้อันนั้นถึงจะเรียกว่าปัญญาอันนี้เราก็คุยนะความอยากไม่ดีหยิดื่มกาแฟก็ไม่ดีกินของที่เราชอบก็ไม่ดีของที่เราอยากยพอถึงเวลาก็เหมือนเดิมกาแฟมาป๊บดื่มของชอบป๊บหยิบเลยรอษารมาถ้าเป็นแทบตายก็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 พอพระพุทธเจ้าตัดสัุ้อริยสัจ ส, สีบอกว่าเบอกว่าความอยากเป็นตัวปัญหานะพวกเธอต้องอย่าไปทําตามความอยา ก, กเขก็ฟังท่านนี้นเขาก็หยุดได้เลยเขาก็บรรลุได้เลยเมื่อก่อนเขากลัวความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าบอกตาอไปนี้เธออย่าไปกลัวเธออย่าไปอยากให้ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนะพราะจะทําให้เธอทุกข์ถ้าเธอไม่อยากจะทุกข์เธอต้อง เธอต้องไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เ, ออเพราะอัญญาณโกลทันยะก็เลยเข้าใจเลยว่า อ, อ้อถูกต้องสิ่งไหนมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาออท่านก็ยอมรับท่านก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปออตอนนี้เรารับมันได้ป่ารับความแก่รับความเจ็บความตายได้ป่าวแค่เนี้ปัญหาก็อยู่แค่ตรงนี้ถ้ายังรับไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญายังเป็นแค่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 ปัญญาจะต้องเป็นคนบอกว่าอยากแบบไหนดีอยากแบบไหนไม่ดีอยากทำบุญทำไปเลยให้เข้าเกียร์ให้เดินหน้าเลยใช่ถ้าอยากจะเอาเงินไปเที่ยวนี่ให้เข้าเกียร์ถอยหลังเลยอย่าอย่าไปแต่ถ้าเราไม่มีคนคอยคุ ม, ค, มคุมจิตคือสติมันก็จะหยุดไม่ได้มันกับคนขับเรือสมัยก่อนก็มีสองคนคนที่คนที่ขับเรือให้เรือไปซ้ายขวาเนี่ แล้วคนที่คุมเครื่องก็จะอยู่คนละที่กันพราะเรือสมัยก่อนมันเครื่องอยู่ข้างล่างคนขับอยู่ข้างบนมันขับจะคอยถือหางเสือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เราจะเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันต้องเขาจะมีสรรัญญาณเต้งเตงเต้งจะบอกว่าถ้าหนึ่งเต้งให้เดินหน้าสองเต้งให้ถอยหลังสามเตงให้ให้เข้าเกียร์ว่างอะไรเงี้ยเขาจะมีส่งสัญญาณกันพวกคุณขาไม่เคยเจอ้งเรือสมัยก่อน สมัยก่อนเป็นเด็กๆใครนั่งเร็วพวกนี้คนขับอยู่ที่หนึ่งคนคุมเครื่องอีกที่หนึ่งสมัยก่อนเลือกข้ามแมาน้ำเจ้าพรยาก็แบบนี้มีคนขับอยู่ข้างหน้าเครื่องมาอยู่ข้างหลังะแล้วก็จะมีไอ้ระฆังไอ้กระดิ่งเนี่ยดังเต้งเต้งเกับตันคนขับจะคอยให้สัญญาณเต้งเต้งเต้งอะไรคนคุมเครื่องได้ยินเสียงอ่ะให้เข้าเกียร์ละอให้ให้ถอยหลังให้เดินหน้า เขาจะรับสัญญาณกันเนี <c> ่ย <oughs> สติปัญญาก็แบบนั้นสติเป็นตัวคุมจิตให้นิ่งปัญญาเป็นตัวสอนบอกว่าให้นิ่งเวลาไหนตอนนี้เราไม่มีปัญญาไม่มีมีปัญญาบางทีก็มีไม่ถูกเวลาให้นิ่งก็ไม่นิ่งเวลาให้ไม่ให้นิ่งก็นิ่งเช่นเวลาให้ให้นั่งสมาธิไม่นั่งทํทำนู่นทำนี่พอถึงเวลา ถึงเวลาให้นิ่งก็ไม่นิ่งถึงเวลานิ่งก็ไม่นิ่งนึกไม่ออกนึกนึกตัวอย่างไม่ออกเช่น <c oughs> ให้เวลาทำงานให้ไปช่วยล้างถ้วยล้างชามก็ไม่ทำจะนั่งสมาธิ <c oughs> แต่เวลากินนี่เจนยังต้องมีทั้งปัญญาปัญญาจะบอกว่า <c oughs> ควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร แล้วก็ต้องมีสติที่จะทําตามคําสั่งของปัญญาถ้าปัญญาบอกให้อย่าทําอย่างนี้ก็หยุดได้ให้ทําอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันทําได้เมื่อสติเนี่ยจะต้องรู้ต้องรู้ดีรู้ชัวไม่ปัญญารู้ดีรู้ชัวสติเพียงแต่ให้หยุดเฉยๆท่นึงให้หยุดจิตเฉยๆปัญญาจะจะไปด้วยกันให้รู้ดีรู้ชั่วไม่ปัญญาเป็นตัวรู้ดีรู้ชัวอะไรที่จอชนะฮะว่าปัญญาไง ปัญญานเนี่ยกยู่ด้วยกับสติไม่มไม่สติไม่ใช้ปัญญาคนละเรื่องกันพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจไงสติพูดโธรพูดโธมันจะไปรู้ดีรู้ชัวรตรงไหนเวลาอยู่พูดโธรพูดโธมันก็ให้หยุดให้หยุดใจหรือไม่ให้หยุดใจท่านเองการมีสติเป็นเบรกเฉยๆแล้วเราก็ต้องไปใช้ปัญญาปัญญามาถึงจะรู้ว่าจะทําหรือไม่ทำไงพอจะหยิบกาแฟามาปัญญาบอกยาอะไรเงี้ยรู้ดีรู้ชั่วละสติก็เป็นตัวรู้ มาเอ่อ ต, ต, ต, ตัวรู้ที่จะหยุดจิตรู้ที่จะจะไปเอาปัญญามาคิดว่าฉันทำนี้ดีไหมไม่รู้ไวเพื่อที่จะหยุดใอจห ย, หยุดใจหรือไม่หยุดใจเพราะวาดีไม่ดีอปัญญาเป็นตัวบอกว่าดีไม่ดีถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปอาศัยคนที่เขามีไปฟังเขาก่อนเนี่ยมาฟังเทศน์นี้เราจะได้รู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี<ช>แล้วเราจะได้ไปใช้ได้เมื่อก่อนเราคิดว่ากินกาแฟดีเดี๋ยวนี้นี่มาฟังแล้วบอกกินกาแฟไม่ดีนะ ทีที่รู้ตอนนี้รู้แล้ววากินกาแฟไม่ดีแต่มีสติหยุดมันหรือเปล่ า, มาไม่มีมมใช่หมพเพราะกลิ่นมันมากปัญญาเราต้องอาศัยจากคนที่เขาฉลาดกับเราพวกเรานี่ไม่มีปัญญาในที่จะรู้ทุกอย่างได้หมดต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าเขาถึงจะรู้หมดทุกอย่าง เรารู้บ้างบางอย่างผิดถูกดีชั่วในบางอย่างเราพอจะรู้รในระดับศีลเราพอจะรู้แต่ในระดับกิเลสนี่เราไม่รู้ระดับตัณหานี่เราไม่รู้ ถ, ถูกหลอกมาหลายชาตินะ อ, อาจารย์คะระหว่างกามาราคะกับการรักตัวโกตายเนี่คะทาไมกามาราคาถึงระยากมากกว่าความรักตัวเองคะเพราะว่าเราจะนึกว่าเรารักตัวเองนี่มันมันที่สุดแล้วแต่ค่ะ สสเรอ๋อคือการรักตัวกลัวตายนี่มันไม่ได้เกิดทุกเวลาเวลาเราไปเจออาการเจ็บไายได้ป่วยไปเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้เรากลัวความตายเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาส่วนไอ้ตัวที่การมาลาคา้านี่มันเกิดตลอด24ชั่วโมงมันยากกว่า<ม>ก็ลองไปลองไปทําดูสิ คือเวลาที่เราอยู่สบายๆร่างกายไม่เจ็บไายได้ป่วยเราก็ยังทุกกับการมาราคะอยู่ใช่ไหมการมาราคะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ใกล้แฟนหน่อยมันก็เหงาล้ะมันก็ทุกขึ้นมาแล้วส่วนไอ้ความรักตัวกลัวตายนี่มันต้องมีเหตุการณ์มาเขย่าใจเราเราถึงจะทุกข์เช่นขับรถไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยรอดตายมาเนี่ยมันก็จะ มันก็จะทุกข์แค่ช่วงขณะนั้นท่านเองแลเดี๋ยวพอผ่านไปไมันก็หายไปแล้วเพราะฉนันละความทิกตายนี่มันง่ายกว่าละการมราคะการมาราคะนี่มันเหมือนต่อยเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วความรักตัวกลัวตายนี่มันต้องมีเหตุการณ์หรือเวลาเราไปคิดถึงความตายเท่านั้นมันถึงจะทำให้เรากลัวขึ้นมา เอาให้ทางบ้านถามต่้เดียวเขารอนานแล้วเขามากี่คนแล้วสา0เจสิบค่ะแล้วเข้าถึงเท่าไหร่แล้วแส0ห้า0สนหะ้าทุกมีสามสิบสามคำถามจากคุณจูนบางครั้งมิพานเหมือนอยู่แค่เอื้อมยิ่งเวลาที่ได้ฟังเทศจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรารู้สึกว่ามีกำลังเดินถูกทางแล้วแล้วจะเดินต่อไปให้สุดทางในชาตินี้ แต่บางครั้งมิพานเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมนานๆมีทอ้อบ้างค่ะพระอาจารย์มีอุบายธรรมะชี้แนะในการบำเพ็ญเพียรได้ค่ะก็ะต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆจะท้อหรือไม่ท้อก็ต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนเวลารับประทานอาหารจะอยากรับประทานหรือไม่รับประทานก็ต้องรับประทานเพราะรับประทานมันดีกว่าไม่รับประทานรับประทานอย่างนั้นมันก็ทาให้ไม่หิว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 แต่ก็จะมีโอกาสที่จะหลุดที่เผอได้ง่ายกว่าเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องไปก็ต้องไปแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นหรือตัดมันได้ก็อย่าไปเช่นนักปฏิบัตินักบวชนี่บางทีเดียวมีคนนู้นไม่สบายคนนี้ตายแล้วก็มาบอกให้เราไปเนี่ยของพวกนี้ตัดมันได้ตัดไปเลยอย่าไปไปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสีย ให้เขาดาน ด, ดีกว่าให้เขา ด, าด่าให้เขาเกียดเราแต่เราแต่เราได้ธรรมะดีกว่าให้เขารักเราให้เขารักเราแล้วเราเสียธรรมะไปจะเอาอยัางไงพอออกไปทำภา ร, รกิจต่างๆสติมันก็จะเผลอมันก็จะหลุดมันก็จะถดถอยมันก็เดินถอยหลังแล้วเดี๋ยวเวลากลับมาปฏิบัติมันจะไม่มีกำลังใจปฏิบัติแล้วมันจะท้อขึ้นมา นี่ไม่ดีเดี๋ยวพ่านทำให้ไม่ปฏิบัติเลยก็ได้เอนต้องพยายามตัดจิตจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดนะอย่างภารกิจของพระที่กิจนิมนต์นี่น้องตาท่านไม่ให้พระรับเลยเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียได้ไปโปรดญาติโยมให้ญาติโยมดีใจมีความสุขใจได้ทําบุญกับพระปฏิบัติแต่พระปฏิบัติกรรมมาที่วัดเราใจนี่ กำลังเป็นลิงแล้วใจไม่สงบแล้วอาจจะทำให้ม่สงบได้อาจจะเสียเวลาไปหลายชั่วโมงหรือหลายวันก่อนจะกลับมาอยู่ตรงที่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกผู้ที่ต้องการปฏิบัตินี้จะต้องสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายให้มากๆอย่าปล่อยให้ไปสัมผัสรับรูบ้ ก, กับลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นภัยกับใจ ก็รูปเสียงของคนของบ้านเมืองนี่แหละเป็นที่เป็นพิษเป็นภัยรูปเสียงของป่าของเขานี่ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่เอานั่งตรงนี้ร่มเย็นไมมไม่มีอะไรมากระตุน้นหัวใจให้ไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่ไม่เหมือนกับนั่งรถไปในเมืองเดี๋ยวเห็นป้ายโฆษณาเห็นร้านนู่นเห็นร้านนี้ความอยากมันต่างโผล่ขึ้นมาแล้ว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 บางวันก็คึกคักบางวันก็ห่อยเหียวก็อย่าไปสนใจปล่อยมันเหียวไปเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธไปคำ ถ, ถามจากคุณสุน้สวดมนต์ไปด้วยตอนนั่งสมาธิไม่สงบเลยค่ะต้องมองดูลมหายใจไปด้วยต้องทำทั้งสองอย่างพุทโธและดูลมหายใจไปอย่างนี้ เหมือนจิตมีหลายดวงไม่สงบสักทีเราจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นคะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสิเอาลมอย่างเดียวหรือพูดโธอย่างเดียวคําถามจากคุณเนตรสวดมนต์เยอะกว่าภาวนาจิตจะนิ่งไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งแต่เป็นการภานาการภาวนาแบบหยาบ ก, กวาการดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธแต่บางครั้งจิตมันหยาบ ก, ก็ต้องใช้การภาวนาแบบหยาบ กล่มมันไปก่อนให้มันละเอียดก่อนพอมันละเอียดก็คือมันสงบตัวลงแล้วค่อยดูลมหายใจหรือพูดโทต่อไปถ้ามันคิดมากก็ให้มันอยู่กับการสวดไปก่อนคาถามจากคุณพักกาศการอธิษฐานจิตถือเป็นความอยากหรือไม่เจ้าคะ ถ, าถ้าอธาที่ฐานที่เหตุก็เป็นเป็นธรรมคือว่าต่อไปนี้จะปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานที่เหตุ แต่ถ้าอธิษฐานว่าขอให้ได้นิพานนี้เรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันขอไงก็ไม่ได้อธิษฐานแบบนี้จนวันตายก็ไม่ได้เพราะนิพานไม่ได้เกิดจากการขอนิพานเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติเนีย่ยดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่เหตุว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงนิพานถ้ายังไม่ถึงก็จะไม่หยุดปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานแบบนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมนั่งที่ใต้โคนไม้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 แม้ร่างกายนี้เลื่อนในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปข้าพเจ้าก็จะไม่หยุดจะไม่หยุดภาวนาะจะหยุดต่ อ, ต, อต่อเมื่อได้บรรลุแล้วได้สําเร็จแล้วนี่คือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลเหมือนว่าขอให้ชานี้ร่ํารวยเงี้ยแล้วก็นั่งงอมืองอเท้าเงี้ยมันไม่มีวันร่ํำรวยได้ะ ถ้าอยากจะร่ำลวยขอให้ข้าพเจ้าขยันหาเงินขยันเก็บเงินอย่างเงี้ยรวยได้ใช่ไหมตราบใดที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมันต้องรวยถ้าตราบใดที่รายจ่ายมันมากกว่าร า, ายได้มันต้องจนมันต้องดูที่เหตุตั้งตั้งอธิษฐานที่เหตุเพราะความความหมายของอธิษฐานจริงจริ ง, รงนแปลว่าความตั้งใจถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก resolution New Year resolution เเวลาปีใหม่ทีนี้ตั้งใจตั้งอธิษฐานกันว่าข้าพเจ้าจะเลิกสูบบุหรี่นะจะเลิกกินเหล้านะแต่ไม่ได้วงได้ว่ากี่วันทำทุกปีนะทำทุกปีให้มันรู้สึกสบายใจว่าปีใหม่แล้วต้องเริ่มชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นนั่นะคำว่าอธิษฐานหมายความว่าอย่างนั้นให้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการจะทาอะไร ไม่ใช่ตั้งเป้าว่าเราต้องการ จ, จะได้อะไรคำ ถ, ถามจากช่างน้อยผมขอถามเรื่องอยากจะบวชแต่เป็นห่วงแม่พี่ชายกินเหล้ากลัวพี่ชายจะดูแลแม่ไม่ได้จะทํำยังไงดีครับก็ อ, อย่าบวชซิ <c oughs> <c oughs> ยังไงทำยังไงคำถามจากคุณสุมาวดีการปฏิบัติที่ว่าสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิคืออย่างไรครับ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 สมาธิอบรมปัญญาส่วนปัญญาอบรมสมาธิก็คือบางทีเราใช้พุโทโธนี่ใช้สวดมนต์ใช้ดูลมาหายใจแล้วมันยังไม่หยุดคิดก็เอาความคิดนี้ให้มาคิดในทางปัญญาเช่นคิดว่าตอนนี้เรากําลังยุ่งกับเรื่องอะไรอยู่ ย, ยุ่งกับแฟนเหรอมีปัญหากับแฟนแฟนจะอยากจะเลิกเรายังไม่อยากจะเลิกอย่างนี้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 แล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาให้ทำาไงก็ยอมรับว่าเขาไม่เขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมาได้ก็ไปได้อนาตตาควบคุมเขาไม่ได้เห็นสรุปก็คือเขาจะไปก็ให้เขาไปพอเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้พอเราพอเราพิจารณาแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้ว่าเขาจะไปก็ไปเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ เราก็จะสงบใจเราก็จะหายทุกข์เราก็จะมานั่งภาวนาได้ต่ออันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่เป็นสมาธิระดับระดับต้นนะคือระ ง, งับให้หายจากความฟุง้งซ่านจะได้เลือกคิดถึงเรื่องแฟนเสียพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าคิดไปก็ก็เสียเวลาเปล่าๆ เ, เพราะยังไงก็ไปบังคับเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าก็อยากจะไปก็ให้เขาไป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 ห้า uh huh, ไม่ได้ตอนนี้มันจะตายให้มันตายพอยอมตายปั๊บใจก็จะรวมทิ้งร่างกายได้อันนี้เรียกวิญญาณอบรมสมาธิพระบางรูปต้องไปอาศัยห้องนั้นถึงจะใช้ปัญญาณอบรมสมาธิไปอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงเสือคำรามนี้ใจเริ่มเต้นแล้สิใจเริ่มสั่นแล้วตอนนั้นล่ะใช้ปัญญาพิจานาพอยอมตายได้ปั๊บหายสั่นไปอันนี้เรียกว่าปัญญาณอบรมสมาธิ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 ความเครียดความทุกข์นี่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ตายอยากให้อยู่ต่อไปแต่ในสภาพนี้เรารู้ว่ามันจะต้องตายเสือมันเดินใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยหรือถ้าอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินกำลังจะทิ่มหัวลงลงดินแล้วไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจะต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือใช้คนใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุโทโธใช้สวดมนต์กันตอนนั้นสวดขยันกันสวดเต็มที่เลยนะ ไม่รจะเพิ่มอะไรแล้วเนี่ยใจมันเครียดมันทุกข์มากอ่ะแต่ถ้าคนใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญายิ่งดีใหญ่จะต่อไปจะไม่กลัวความตายต่อไป<ม>ถ้าใช้ส่วนวนนี้มันพอมันพอมันหายกลัวแล้วคราวหน้าเจอความกลัวเจอความตายมันก็ต้องสวอ่วนอีกมันจะกลัวอ<ม>พอมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือความไม่อยากตายถ้า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 แล้วเวลาหาไม่ได้ก็จะเครียดจะทุกข์จังจะหงุดหงิดจะเหงาจะว้าวเวถ้าไม่อยากจะให้จิตเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปทําตามความอยากอย่าไปเที่ยวเลิกเที่ยวเสื้อผืนมานั่งสมาธิแทนมาทําใจให้สงบแทนความหงุดหงิดนั่นก็จะหายไปการ น, นี้ก็เป็นวิธีใช้ปัญญาแก้อันนี้เรียกปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็ไปรับใช้กิเลส ปัญญาทางธรรมก็มาฆ่ากิเลสไม่ไปรับใช้มันคำถามจากคุณเจผมนั่งใจไม่นิ่งเพราะกายไม่นิ่งเหมือนที่ฟ้าอาจารย์บอกเลยครับพอปวดหลังต้องคอยยืดตัวตลอดเพราะหลังงอลงจะแก้ไขอย่างไรดีครับอ๋อไม่ต้องกังวลมันยังงอก็ปล่อยมันงอไปเวลานั่งสมาธิตอนต้นเราก็ตั้งท่าให้ดีก็แล้วกันนั่งให้มันตรงเท่าที่สุดเท่าที่เราจะนั่งได้ แต่อย่าไปเกรงนะอย่าไปเกรงนั่งให้สบายถ้าเราไม่เคยนั่งนั่งนั่งตัวตรงแล้วไปเกรงไปบังคับมันมันก็จะทาให้เราไม่มีเวลามาควบคุมใจมัวแต่ไปควบคุมร่างกายงั้นร่างกายเราไม่ต้องควบคุมพอเรานั่งแล้วเราก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจให้มาควบคุมใจนะให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธให้มันมาอยู่กับลมหายใจเข้าออก ส่วนั่งกายมันจะงอหรือจะไม่งอก็ไม่ต้องไปกังวลกันมาไม่เป็นปัญหาคำถามสุดท้ายและก็ได้คําถามสุดท้ายจากคุณสุนิสาหนูประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มหน้าหน้ากระแทกฟันหักใบหน้ามีแผลเจ็บประสาทฟังอย่างมากขณะเหตุเกิดหนูรู้สึกเจ็บที่แผลแต่ที่ใจมันกลับคิดว่าสังขารมันไม่เที่ยงฟันไม่เคย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 คือความอยากไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงอยากจะสวยเหมือนเดิมพอเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอันนี้จะรู้ว่าเป็นปัญญาไม่เป็นปัญญาก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมามันถึงจะรู้ว่าถ้าทุกข์ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาพอแฟนบอกบายๆก็ร้องห่มร้องไห้ก็แสดงว่าไม่เป็นปัญญา